เสือกลัวหลวงปู Ph ่ตื้อหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นองค์หนึมีจิตใจคราหารชาญชัยมากท่านมีอายุพรรษามากกว่าหลวงตา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 มันอยู่แอ บ, บๆอยู่นี้ไม่ออกมาหาคนแหละบางทีก็เห็นตัวบางทีไม่เห็นมันอยู่ในป่าคนอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามีคนแปลกหน้ามามันคำรามนะท่านว่าให้มันทํามันไม่ทำแหละเพราะมันเป็นหมาของพระว่างั้นเถิดรักษาเจ้าของใครมาแปลกๆหน้านี่ไม่ได้มันขู่คำรามว่างั้น อย่าไปขู่คานะพอท่านว่าอย่างนั้นมันก็เงียบเลยเวลาท่านไปไหนมาไหนเสือมักจะตามไปรักษาท่านรักษาเงียบๆนะมันอยู่ในป่าแหละเสือท่านไปพักภาวนานี้เสือมักจะมาอยู่ข้างๆถ้ามีคนแปลกหน้ามาเราถึงจะรู้ว่ามีเสือนะถ้าไม่มีคนแปลกหน้ามา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 เจ้าคณะอำเภอเห็นท่านไปอยู่ในป่าจะมาขับไล่ท่านจุดตะเกียงเจ้าพายุหิ้วมากลางคืนจะมาขับไล่ท่านพอมาถึงวัดเสือตัวนั้นออกมาคำรามใหเลยเฮ้อเฮ้อทางนี้เปิดเลยตะเกียงเจ้าพายุคงจะตกฟากแม่น้ําโขงไปใหญ่เลยตกลงเสือขับเสียก่อนพระนั้น ยังไม่ได้มาขับหลวงปู่ตื้อแหะถูกเสือขับเสียก่อนแล้วเผนหญยเลยไปใหญ่เลยแตกทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระแตกไปด้วยกันืึหึเลยเสือมันคำรามใส่มันยังไม่ทำอะไรแหละมันก็เหมือนกับหมามีเจ้าของก็ค า, า, าถาทั้งครอบใบหนี่มันกลัวใจมันลงมันไม่ถือเป็นฆาสึก ถือเป็นเหมือนเจ้าของ